สูงจากระดับโคนต้นไม้ใหญ่ขนาดห้าคนโอบนั้นขึ้นไปประมาณ3เมตรคือรอยกระสุนทั้ง3านัดที่แงซสายยิงลองทางปืนไว้สองนัดเรียงอยู่คู่กันระดับสูงกว่าบริเวณตะปุ่มที่งอกใหญ่ออกมาจากผิวขนาดเท่าลูกมะพร้าวห้าวราวหกนิ้วส่วนอีกนัดหนึ่งเจาะลงตรงกลางตะปุ่มนั้นอย่างแม่นยำอันเป็นนัดที่สภายหลังที่เขาให้ปรับศูนย์ไปแล้ว